พระธรรมเทศนาแผ่นที่109าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าหลับตาจราโลกด้วยความดีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17ด เมษายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นยังเป็นวันหยุดรัชการแต่ว่าบริษัทเอกชนเขาก็เริ่มทำงานกันแล้วตั้งแต่วันนี้ลนะเพราะว่าเป็นวันวันจันทร์เพราะหยุดมาตั้งแต่วันที่13แต่สวนรัชการยังปิดหยดุยดช ด, ดเชยอีกหนึ่งวัน คือวันที่17คือวันนี้เป็นอันว่าปีใหม่ไทยวันที่ตั้งแต่วันที่13เมษายนพุทธศักราช2560้าอวันนี้ก็เป็นวันที่17แล้วเป็นวันเริ่มทำการทำงานของลูกหลานแต่ก็ยังไม่ทราบว่าการล้มหายตายจาก ปีนี้มีเท่าไหร่เจ็บป่วยเท่าไหร่แต่เขาว่าปีนี้รู้สึกว่าประสบอุบัติเหตุมากนะฟังฟังดูเมื่อวานบอกว่าจังหวัดอุดรปีที่แล้วในเชียงใหม่ล้ำหน้าแต่ปีนี้รู้สึกอุดรล้ำหน้าเรื่องประสอุบัติเหตุแสดงว่าลูกหลานเหล่านั้นไม่ฟังเสียงหลวงพ่อว่าวันเต้หลวงพ่อบอก ว, ว่า ต้องคิดดูให้ดีนะลูกหลานนะจัสนุกสนานต้องคิดดูอนาคตของตนเองแหมไม่ใช่ว่าตรงไหนที่มีเสี่ยงแล้วก็ดันทุลังเข้าไปกินเหล้าอีกต่างหากในเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าตัวของเจ้าของเองแหมเมื่อมีปัญหาขึ้นมาขาหักแขนหักขาด้วนตาบอด ทุบพลภาพแล้วนะ่ะทุบพลภาพไปตลอดชีวิตไม่มีใครที่จะรับผิดชอบให้เราอนอกจากตัวของเราเองถ้าอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็ใช่ประคบประงมอยู่หรอกแตพ่พ่อแม่ตายไปตอนนั้นไหนอยู่กับพี่น้องพี่น้องนะ่ะมีแต่เขาจงเกียจจงชังเรานะ่ะนะเราก็จะตายก็ไม่ตายจะทำอย่างไรได้พิการแล้ว เป็นทุกขครล่ะเนี่แหละทุกคนต้องวางแผนชีวิตของตนเองถ้าคิดได้อย่างนั้นดีมากนะแต่โดยมากมันไม่ใช่มันไม่คิดไงมันมีแต่คิดสนุกชั่วครั้งชั่วคราวอนาคตต่อไปวันต่อไปภายภาคหน้าวันข้างหน้ามันไม่ได้คิดไงพอมันไม่ได้คิดกับมีปัญหาเกิดขึ้นแนะใครเป็นทุกข์ใจจะตายก็ไม่ตายเฮ้ยจะทำยังไงได้จะอดอาหารองมันหิว ต้องได้กินแต่พอกินเข้าไปก็ยังชีพต่อไปทํางานก็ไม่ได้กินก็กินทุกวันเป็นภาระของใครเป็นภาระของอย่างพี่ๆน้องๆก็ยังค่อยอยังชั่วนะเป็นภาระของหลานเลนตายอะไรจะนี่สิ่งเหล่านี้ต้องพวกเราต้องคิดนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะแล้วก็อนี่ท่านประลัดนิคมท่านก็เอารายงานมา ตั้งแต่น้นนะงหยุดตั้งแต่วันที่12หยุดตอกเสาเข็มนะเสาเข็มหลงตาเสาเข็มทั้งหมดมีอยู่ 1,251 นอาต้นตอกเสร็จแล้วนะ4ต้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์77ิจดเิดุดาเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์ออกมานะยังเหลือเสาอยู่277ต้นคาดว่าจะเสร็จภายใน30เมษา 60จะเสร็จก่อนสัญญาที่กำหนดไว้15วันคือเดือนวันที่15พฤษภาคมเป็นวันเซ็นสัญญากันแต่จะเสร็จก่อนนะอันนี้ก็คือเสาเข็มของหลวงตานะแล้วก็พร้อมกันเมื่อวานเนี่ยทางสำนัดพดกพุทธเขาเข้ามาทาบทามแล้วเขามานิมนหลวงพ่อไปก่อนว่าหลวงพ่อจ ะ, จะว่างไหม วันที่29่ตอนบ่ายจะมีจะรวบรวมภาป่าของจังหวัดอุดรธา น, นีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเป็นผู้รวบรวมท่านพระรากรท่านองค์ข้ามูลรีท่านจะมาเป็นประธานเพื่อหาทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาของเรานี่แหละประเดิมที่จังหวัดอุดรก่อนเพื่อจะหาทุน เพราะทุนเจดีของหลวงตาเนี่ยยังไม่พอนะลูกหลานนะแต่จะว่ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญากันแต่รู้ว่ามันไม่พอนะเพราะนั้นท่านจึงเลยมาประเดิมทอดผ้าป่าเตรียมทอดผ้าป่าสามัคคีของวันที่ยี่เเมษายนเวลาบ่าย 16นาฬิกานะบ่าย4โมงนะคณะชาตายาโจมลูกหลานไปรวมกันที่ทุ่งสีเมืองอยู่ค้ังสลากลางจาหวัดอุดอรนั่นะนะนะและแล้วก็เวลา1616 16นาฬิกา30นาทีจะมีการไหว้พระแล่าหลวงพ่อที่เป็นองค์แสดงธรรมเขานี่มโนหลวงพ่อแสดงธรรมหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อเองก็ไม่ปฏิเสธ เรื่องหลวงตาเนี่ยนะถ้าเป็นงานของหลวงตาแล้วหลวงพ่อนะมอบกายถวายชีวิต เ, เพื่ององหลวงตาอยู่แล้วแนตะ่ ง, งานไหนที่จะเป็นประโยชน์กับองคหลวงตาหลวงพ่อที่จะน้อมรับนํามาค่อยๆว่านําไปปฏิบัติแล้วก็เพื่อจะหาทุนเข้าองค์หลวงตาถึงจะได้มากได้น้อยก็สุดแท้ 8, แต่แต่พี่น้องประชาชนผู้ที่ ลำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตาไม่ว่ากันนะแต่ทีนยังไงก็อย่าให้ตนเองเดือดร้อนในการทําบุญแต่ถา้ามีมากทําน้อยอนันต์น่าตำหนิถ้าว่ามีน้อยทําเกินตัวอันนั้นก็น่าตําหนิอีกเหมือนกันแต่โดยมากมันจะไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยทํามากโดยมากมีแต่มีมากทําน้อยนะแต่หลวงพ่อเองนั่นแหละประกาศเมื่ อ, อไหร่ ประกาศก่อสร้างเมื่ อ, อไรอว่างานของเจดีของหลวงตาเนี่ยเป็นเงินเท่าไรในการบริษัทรับเหมาน่ยหลวงพ่อก็คงจะประกาศกับให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานคณะกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อนี่แหละกลุ่มวัดป่านาคําน้อยเนี่แหละหลวงพ่อจะประกาศเออกลุ่มของเราเนอะพวกเราคณะสัตยาญาติโยมใครจะมาร่วมสมทบเพราะหลวงพ่อรับแล้วอนะ รับมาแล้ว50ล้านบาทแต่ตอนวนี้ยังเหลืออยู่48ล้านเพราะถวายไปแล้วสองล้านยังเหลืออยู่48ล้านถ้า ล, ลูกหลานผู้ใดอยากมาร่วมสมทบเอามาเนะ้อเตรียมนะ้นี่แหละในเมื่อเดี๋ยวนี้ ก, กำลังยื่นให้บริษัทไปคิดราคาอยู่แล้วกับกลางเดือนพฤษภากนะงจะมาส่ง ส่งแบบและทีไหนส่งให้บอกว่าคิดราคาแล้วส่งแบบแล้วก็วันที่วันที่28มั้งวันที่ยี่สเป็นวันเป็นวันเปิดเปิดซองรับซองมาเปิดวันที่28่และจากนั้นก็คงจะลงมือคงจะวันกลางเดือนมิถุนานะกลางเดือนมิถุนาก็คงจะได้ลงมือ ถ้าไม่มีถ้า ง, งานเป็นไปด้วยความตามที่คาดหมายเอาไว้นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนะลูกหลานโลกเนี่ยเราจะเป๊ะๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เหมือนกันแต่ว่ากะกะไว้อย่างงั้นละเราจะรู้ได้ก็ประมาณชั่วันที่ยี่ะรู้ได้ว่าราคาเจดีพิพิธภัณฑ์ศาลาลายหรือว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ที่บริษัทรับเหมารับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นเงินเท่าไรเราจะรู้ได้นะถ้าพอรู้ได้แล้วหลวงพ่อก็คงจะประกาศให้คณะสัทยาญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่รักเคารพที่ว่าเชื่อถือพูดง่ายๆเชื่อถือว่าเอาถวายมาปัจจัยมาหลวงพ่อจะนำเอาไปใช้ไปสมทบกับเข้ากับเจดีหลวงตา แต่ถ้าเขาใครไม่เชื่อถืออย่าเอามานะถ้าไม่ใครไม่เชื่อถือหลวงพ่อเองนะอย่าเอามาเอาไปองค์อื่นเพราะว่าองค์อื่นเขามีตั้งเยอะแยะที่เป็นคูลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์อื่นเอาไปองค์เอ่นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่ทรักเคารพเชื่อถือกันให้เอามาหลวงพ่อกําลังรวบรวม เ, เป็นเท่าไหร่นั่นแหะจะบอกให้เรียนให้ทราบนะ เพราะว่าจะตุปจัจจุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนไม่รู้จักกันจะโอนก็มาเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องลูกหลานมีตัวคนโง่เถอาะนะคิดอย่างนั้นนะถ้าคนฉลาดมันคิดไม่ได้หรอกคนก่อนที่จะทำบุญเข้ามาต้องถามแล้วถามอีกบัญชีของพระเจดีย์จริงไหมของหลวงพ่อเอ็นไหมเป็นพระเจดีย์ของหลวงตายใช่ไหมเขาต้องถามแล้วถามอีก ก่อนที่จะโอนเงินเข้ามาเบ้นเสียจะเกินนิดหน่อยเขาก็โอนมาแบบง่ายๆแต่เงินก้อนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกครั้งทุกกลน์นะแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเปิดบัญชีแล้วจะดูดเงินดูดเงินกลางกลางท้องพ่ออินเปิดบัญชีแล้วเพื่อ ด, ดูดเงินหลวงพ่อคิดว่าทำไมมันโง่นักมันจะบูดได้ยังไงคนที่รู้จักมักคุ้นกันเท่านั้นเองที่หลวงพ่อเคย เคยเคยร่วมกันแต่หลวงพ่อจะโอนให้กับใครก็ถามหลวงพ่อก็ถามแล้วถามอีกเหมือนกันไม่ใช่คิดใดคิดโอนนะเรื่องเงินเลยนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะนั้น เ, เพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันหลวงพ่อบอกว่าให้ครูบาอาจารย์พระทุกองหรือศรัทธาญาติโยมก็ได้เปิดบัญชีผมขอร่วมสมทบเปิดบัญชีของผมก็ไม่เห็นจะมาเห็นผิดกติกา แต่ความสำคัญให้ซื่อสัตย์เท่านั้นเองถ้าไม่ซื่อสัตย์กับตนเองแล้วนะ่ะเปิดเข้ามาแล้วเอาเงินไปใช้อย่างอื่นนั่นแหละพยายามพบาลเขาจะหญิงเขี้ยวเสลยบาทเนี่ยตายมาตายไปเมื่อไหร่กนะ็น่ะจับโยนลงนรกอเวจีเลยแต่ทนี้เพราะความไม่ซื่อสัตย์นะี mm ่ย hmm. มันนะ่ะจุดนั้นแหละเป็นบาปอกุศลอย่างแรงนะลูกหลานนะไปกินเงินพระเจดีเป็นรวบ ก, กินเงินได้ยังไงอันไหน พระเจดีย์ขึ้นนั้น่ะสมทบเข้าไปเพื่อสร้างพระเจดียด์ขององค์หลวงตานะครับวันที่วันที่29นะ่ะถ้าผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะถ้าพี่น้องชาวอุดรแร้วว่าน้องคายแถบนี้ลนะ่ะไปร่วมกันเนอะที่ทุ่งสีเมืองมีท่านผู้วาราชการจังหวัดอุดรของเรานะี่ละท่านเป็นเป็นผู้ร่วมร่วม ท่านองคมนตรีท่านพระรากรมาท่านมาจากกรุงเทพได้เป็นประธานที่เห็นคุณค่าในการทอดผ้าป่าพ่อลงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองหาทองคำเข้าคลังหลวงเท่าไหร่โรงพยาบาลพี่น้องชาวอุดรไปนอนในตึกโรงพยาบาลของหลวงตาตึกสิบชั้น เ, เพอเพยังไปจอดรถที่หลวงพ่ออินสร้างอีกต่างหากติดกระโล ง, งองลงตา พี่น้องลูกหลานก็บไปนอนจอู่ใต้ทุนตึกหลังนั้นอีกต่างหากใช้ห้องน้ำห้องช่วมของหลวงพ่ออินที่จ่ายเงินอีกต่างหากนั่นแหละอันนี้แหละคือเป็นเงินบุญกุศลทาท่านทำคโนประการไว้แล้วพวกเราจะตอบทุนออตอบตอบบุญแค้นคุณท่านได้ไหมเราระลึกถึงบุญคุณท่านได้ไหม ถ้าเป็นปราดแล้วก็ต้องระลึกถึงบุญคุณของท่านได้ถึงจะ5นะได้5บาทห้าสิบสตางค์สลึงหนึ่งก็ยังดีนะแปลว่าระลึกได้น้อยนะถ้าพูดระลึกได้มากเอออ่าวรวมสมทบเข้าไปเพื่อสร้างเจดีย์เมื่อเสร็จขึ้นมาแล้วก็สูงต่างงานเป็นที่ประทับใจเป็นที่ภาคภูมิใจของลูกของหลานของพี่น้องชาวอุดร อ, อย่างมากเลยนะหลวงพ่อว่านะวันนั้นวันที่2ี่ย่สิบ วันที่30สจะไปรวมกันที่วัดป่าบ้านตาดประมาณเก้านาฬิกาเนกะนาฬิกาพอพระสันฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทอดผ้าป่าแหละนี้เพื่อร่วมสมทบได้มากน้อยเท่าไรก็วันนั้นละเป็นที่รู้กันนะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวหนะ้ะแล้วก็พร้อมกันมเมื่อวานหลวงพ่อก็ให้พระไปดูมี ที่วัดใกล้ๆเราเนี่ยนะที่วัดหลวงปู่มั่นเก่าเนี่ยนะวัดบ้านสว่างเนี่ยนะพ่อคูส่สุริธรรมรังสีสุวิธรรมรังสีอาจารย์ศิลชัยชริจันโดจิริจันโทอายุห3าปีพรรษาสามานะได้มรณาภาพเมื่อวันที่ วันนี้วันที่เท่าไรสิบเจ็ดวันที่สิบห้านะท่านมรณะภาพเมื่อวันที่สิบห้าที่โรงพยาบาลอุรานได้นำศพของท่านมาที่นะบ้านสว่างไกลๆวัดของเราเนี่แหละท่านเก็มีอายุถึงห้าสิบสามปีพรรษาสามสิบสามพอครบบวชทั้งก็บวชนะท่านเป็นโตมมะอย่างเก่านะเป็นมมะน ะ, ะก็เลย ท่านบรณาภาพลงแล้วนะก็วันที่วันที่26วันที่25เมษายนเนี่ยไม่กี่วันก็คงจะพระราชทานเพลิงพระท่านเป็นพระครูนะพระราชทานเพลิงศพของท่านถ้าพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ได้ยินทุกู้จักมักคุ้นจะมาประชุมเพลิงเผาศพพระก็อเอา้ามาได้นะ เนี่ยนะมาร่วมกันนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่ในโลกเนะี่ยหลวงพ่อได้พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เถอดนะคอยวันตายนะลูกหลานนะทำไมจะว่าคอยวันตายมันไม่ใช่จะหนุ่มแน่นไปข้างหน้านะอไม่จะจะหนุม่มจะสาวไปข้างหน้านะมีแต่จะเช่าแก่ชรลาไปเรื่อยอคอยวันนั้นมาถึงเหมือนกันเพรานะนครที่วันนั้นจะมาถึงนะเน่ยเราก็ไม่ได้นิ่งดูได้นี่แหละ ประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราช่วยกันเนะ้อถ้าผู้มีทรัพย์ก็เเสียสละทุนทรัพย์สร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ระลึกถึงโอ้ผู้ฆ่าได้ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ของหลวงตาอพอร ะ, ะลึกถึงคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเจดีย์ให้ถวายพระอรหันต์คือองค์หลวงตานะเป็นบุญกุศลติดพบติดชาตินะลูกหลาน นี่แหละหก่อนที่เราจะตับหับตาลาโลกนะก่อนที่เราจะตายพูดง่ายๆก็ควรจะสั่งสมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลมิใช่ว่าจะทาบุญควักกระเป๋าออกมาทําบุญอย่างเดียวไม่ใช่นะมีหลายๆอย่างการทําบุญรักษาศีลห้าก็ใช่รักษาศีลอุปโภคสดก็ใช่แล้วก็นั่งภาวนาทาจิตใจให้สงบก็ใช่ ไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่กราบพระก็ใช่ดูแลพ่อแม่ของเร า, เาช่วยดูแลพ่อแม่อุปถัมภะถาพ่อแม่ของเราล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นอันน้คือประกอบคุณงามความดีคนที่มีคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้ว น, ะนั่นแหละจะหลับตาลาโลกขึ้นคุณงามความดีนั่นแหละจะช่วย เ, เกื้อกูลหนุน เราไปสู่กติภูมิที่สูงส่งขึ้นถ้าเรามีแต่ทำกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วมีถึงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนอื่นเขาเห็นคนอื่นลํำนาไม่ได้ขวางหูขวางตาจากนั้นคนนี้นะทำลายทําลายคนอื่นเขาเบียดเบียนคนอื่นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งโรคทั้งรักทั้งขโมยกินเหล้าเมายา สิ่งไหนที่มันชั่วขดเขามาหาตนเองอันนั้นแปลว่าความชั่วนะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่านะเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วไปแล้วนะกรรมชั่วเหล่านั้นจะตามสนองนะตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง น, ะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะชาติไทยญาติโยมลูกหลานและก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะนะแล้วก็วันที่27เเมษายนะ เป็นวันอะไรเป็นวันเกิดหลวงพ่อนะลูกหลานนะลูกหลานาทั้งหลายที่อยู่ใกล้กันนั่นะช่วยๆกันดูอันไหนที่จะควรจะดูที่จอดรถที่อะไรตรัวมิอะไรแต่ปีนี้มันขึ้นในมอของหลวงพ่อนะมอนะมอคือหมอดูนะหมอดูหมอเดาของหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อคิดว่าพี่น้องจะมามากแต่ปีนี้นะเพราะเหตุใดเพราะว่าเป็นวัน เป็นเจ็ดสิบสองปีคนทั้งหลายก็บอกกล่าวกันต่อๆกันหลวงพ่อเจ็ดสิบสองปีนะลูกหลานนะเน้อเขาก็บอกเออหลวงพ่อของเราเจ็ดสิบสองปีนะพวกเราเอควรจะไปนะ้อสิบสองหกเจ็ดสิบสองปีเนะ้อนี่แหละอแต่ของหลวงปีนี้หลวงพอมีของสำรู้นะหลวงพ่อปีนี้ลูกหลานนะเขามีประวัติให้ด้วยต่างหากนะเขาจะพิมพ์ประวัติมาประวัติหลวงพ่อนะ ถ้าใครมาชาน่ไม่รับรองเหมือนกันนะแปลว่าขาดสิทธิสละสิทธินะแต่ว่าประวัติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละหลวงพ่ออินไปฉันจังหันที่ไหนไปไทายที่ไหนเข้าห้องน้ำกี่ครั้งคงจะมีลักษณะอย่างนั้นมั้งนะว่าประวัติใช่ไหมคนเราก็ต้องมีประวัติใช่ไมล่ะอันนี้คงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าประวัติยังไงล่ะเขาพิมพ์เขาพิมพ์มาแล้วนะเพราะนั้นคงจะมีการ แจกกันช่วงนั้นแหะคงจะให้แต่บุคคลคงจะไม่ให้สม 4, สีสม5นะ้านั้นที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะให้บุคคลที่ควรให้เท่านั้นแหะไม่ใช่ขนมใช่ไหมถ้าเป็นทบทฟรีหลวงพ่อก็จะหวานไปเลยนะแจกไปเลยแต่ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยจะไปให้อย่างนั้นก็คงไม่ได้คงจะบุกสมควรให้เกิดประโยชน์ผนละมือหนังสือมันไม่ใช่เล่มเล็กนะ เพราะนั้นวันที่27นะ่สิหลุกลานอนะบอกกล่าวเล่ า, ลาสิบนะผู้ที่จะมาทำโรงทานก็เออมาครูบาอาจารย์พระสงฆ์หลวงพ่อก็ไม่ได้นิมนต์นะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้เชิญเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อต่อกันมาเลยถือว่าหลวงพ่อเป็นพระสาธรณะเป็นพระของพี่น้องทุกคน ผ่าผู้ใดทดําดีคิดดีทําดีหลุงพ่อจะเป็นพระของผู้นั้นถ้าผู้ใดคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วหลุงพ่อจะไม่ไม่ขอเป็นพระของผู้นั้นนะเพราะมันคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเพื่เพื่อมันจะมาอืเแบบียดเบียนทําร้ายทําลายแนวปฏิบปทาของหลูกพ่ออีกนะอพวกเราไม่ต้องการไม่ต้องเป็นไม่ต้องไม่อยากจะให้เป็นลูกชิ์ลูกหาไม่อยากให้เป็นมิตรเป็นสหาย ไม่อยากจะเป็นพักเป็นพวกเป็นเพื่อนอีกต่างหาก เ, เป็นผู้ใหญ่ของไม่อยากจะให้เป็นผู้ใหญ่ของหลวงพ่ออีกต่างหากถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะถ้าคิดดีทำดีระมาเลยนะเขามาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อน้อมน้อมรับยอมรับเล้วรับหมดทุกคนลูกศิษย์ลูกหาลูกหาลกหานทุกคน เ, เป็นญาติโกโหติกาญาติธรรมของหลวงพ่อทั้งหมดนะเขามาเลยหลวงพ่อไม่ได้เชยเชิญนะ มีอะไรก็แบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แต่จะไปบ่นเท่านั้นแ่ะมาแล้วไม่มีอ า, อาหารกินถ้าโอ้ตัวเองอยากจะกินเอาถืออาหารมาด้วยนะพอหลวงพ่อไม่ได้ทำไรทำนาทำรั้วทำสวนนี่แหละปิบินทาบาทเลี้ยงชีพทุกวันลูกหลานทั้งหลายผู้มาเอา้อถืออาหารมาด้วยมาเลี้ยงกันถือว่าเป็นวันหนึ่งของหลวงพ่อของเรา หลวงพ่อของเราคนนี้นะอายุถึงเจ็ดสบปีแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลวงพ่อมองดูล้วก็มากพอสมควรเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะทุกผู้ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรให้ประกอบคุณงามความดีเอาเถอะข้าพเจ้าไม่ได้ไปงานวันเกิดของหลวงพ่ออินแต่ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าอยู่ในบ้าน สมาทานศีลห้าจะตืต่นขึ้นม า, าตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลห้ า, าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอพอเป็นวันเกิดของหลวงพ่ออิน เ, อเพื่อเป็นการบูชาพระคุณหลวงพ่ออินอที่ได้ฟังธรรมเทศนาหรือว่าได้พบค้าสมาคมกับหลวงพ่ออินเพียงแค่นั้นแหละหลวงพ่อก็ภาคภูมิใจมากต่อมากาดีกว่ามาวัดของหลวงพ่อล้ว มาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายมามาแล้วจะมากีดกระเป๋าเขามาขาโมยสิ่งของเขาเองนะอันนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยเป็นโทษอีกต่างหากนะถ้าว่าผู้ใดไม่ได้มาแต่ประกอบคุณงามความดีอยู่ในบ้านหลวงพ่อก็อืยอมรับป่าอันนั้นคือลูกหลานของหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหลวงพ่ออุ่นใจเลยถ้าลูกหลานทําอย่างนั้นนะ ลูกหลานทําอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องมาก็ได้นะอยู่ในบ้านเลยแต่ประกอบคุณงามความดีทําคุณงามความดีทุกคนก็เป็นการเชิดชูหรือว่าเป็นการบูชามูทิตาสักระในหลวงพ่อนะหลวงพ่อยินดียอมรับน้อมรับลูกหลานผู้นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเนะี่อยู่ในสถานที่ใดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อมีแต่แพร่เมตตา บุญกุศล ข, ของข้าพรเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติได้กระบวดมาแต่เป็นสัมมนเนนมาถึงปูนนี้ละแปลว่าชีวิตของพระชีวิตของสัมมนเนนถั้ง60ปีนะลูกหลานนะไม่60ปีได้ยังไงใช่ไหมเป็นเนนแปดปีเป็นพระหนูหาปี52บวกแปดเป็นเท่าไหร่ปีพอดีเหมือนกันนะปีนี่นะพัน อายุ72็ดสอชีวิตนักพจน์นักบวช60ปีเนะี่ยนี่แหล ะ, ะบุญกุศลที่หลวงพ่อได้บำเพนคุณงามความดีมาที่เป็นกุศลจะเป็นบาปเอากุศลไม่ต้องพูดถึงแต่คิดไม่ดีมันก็ต้องมีอยู่นะแต่ว่าโดยมากคิดดีทดําดีพูดดีที่เป็นกุศลขอบุญกุศลของหลวงพอนะ่อเป็นเครื่องเครื่องเกื้อกูลหนุนลูกหลานทุกคนให้จเจริญเจริญ ลุ่งเรืองอายุวันณะสุขะภาละลาบยศสรรเสริญสุขปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกคู่ทุกคนเนอะเอาละพอในเสนนะั้นลูกหลานนะ